ก็ใช้ไปแล้วไงใช้ไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2514ทํา่ทำไมถึงมาทวงอีกท่านยังจำได้แม่เหตุการณ์จะผ่านมาถึงเจ็ดปีเต็มๆวันนั้นใช้แค่เงินตน้นแต่วันนี้จะคิดดอกเบี้ยเป็นอันว่าวันนี้ใช้สองงานเลยก็ดีจะได้หมดหนี้หมดสิน จากนั้นท่านจึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสัปสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะนกกระสาฝูงนั้นกับเต่าอีกเจ็ดตัวที่รับจ้างเขาต้มเสร็จกิจดังกล่าวจึงลงไปส่งน้ำแปลงฟันแล้วออกบินทบาดโปรสัตว์โดยมีนายสมชายหิ้วบินโตเดินตามหลังโยมอาตมมาขอขอบใจที่ใส่บาตให้ฉันมานาน วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเพราะเวลาเที่ยงสี่สิบห้าอาตมาจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักตายมาบินทบาทไม่ได้อีกขอให้โยมจงมีความสุขความเจริญนายโยมนะท่านจะพูดเช่นนี้กับผู้หม่ใส่บาททุกคนหลายคนเชื่อและรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบเห็นท่านอีก แต่บางคนก็คิดว่าหลวงพ่อวัดป่มามะม่วงถ้าจะเพี้ยนเส็จแล้วมีอย่างที่ไหนมาบอกว่าจะตายวันนี้ใครเล่าจะรู้วันตายของตัวเองพี่กลนแท้ๆกลับจากบินทบาทปโปรดสัต ท, ท่านฉันพัตนาหารแล้วจึงจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าสิ่งที่มาตื่นนั้นถูกท่านบันทึกไว้ทุกท้อยคำ เสร็จแล้วจึงลงมารับแขกอย่างอุติชั้นล่างประโยคแรกที่พูดกับพวกเขาคือต่อไปนี้ญาติโยมต้องช่วยตัวเองแล้วนะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอตตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปรโรสยาตนและเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ อาตมาเองก็จะไปในวันนี้แล้วลุงพ่อจะไปไหนคะสตรีผู้หนึ่งถามไปตายท่านเจ้าของกุฏิตอบยิ้มยิ้มลุงพ่อพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาใจฝ่อมดอย่าพูดเล่นอย่างนั้นเลยครับผมขอร้องบุรุษผู้มาถึงเป็นคนแรกเข้าใจว่าท่านพูดเล่นอาตมมา พูดจริงจริงนะเมื่อเช้ามืดเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทวงแล้วอาตมาเคยหักคอนกกระสาแล้วก็รับจ้างเขาต้มเต่าวันนี้เที่ยงสี่สิบห้าต้องรถคว่มคอหักตายคนฟังพากันตระนกสตรีวัยกลางคนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นลุงพ่อก็อย่าออกไปไหนสิคะอย่าไปขึ้นรถจะได้ไม่ต้องรถควา่า ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมนี่จะมาแนะนำให้อตมาโกงเสร็จแล้วโกงใครไม่โกงจะให้โกงกฎแห่งกรรมอตมาทำไม่ได้หรอกโยมแล้วหลวงพ่อไม่เสียใจไม่เสียดายชีวิตหรือครับบุรุษอีกผู้หนึ่งถามเสียดายทำไมเราโยมคนที่เสียดายชีวิตแสดงว่า เขายัางไม่ค้นใจคติแห่งความตายการตายก็เหมือนการย้ายบ้านคนที่ทำกรรมดีไว้มากก็จะได้ย้ายไปอยู่บ้านที่ดีกว่าหลังเก่าคือสะดวกสบายกว่าแต่คนที่ทำชั่วอาจจะต้องย้ายไปอยู่บ้านในนรกสำหรับอาตมาคงจะได้ไปอยู่บ้านที่ดีกว่าบ้านนี้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 เคยเห็นใครเป็นแบบหลวงพอ่อเลยค่ะหญิงสาวอายุน้อยที่สุดพูดขนาดรู้ว่าจะต้องตายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจกลับทาหน้าที่ได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจอุตสาเปรียบเทียบให้ฟังก็แล้วเอาอย่างนี้นะสมมุติว่า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 ไม่มีหรอกหนูถ้าจะให้หาแบบนั้นหาไม่ได้แน่เพราะไม่มีใครจะเหมือนกันไปทุกอย่างแม้แต่ฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันจิตใจยังต่างกันถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่มีใครมาวัดนี้อีกที่เข้ามาก็เพราะศรัทธาในหลวงพ่อไม่มีหวงพ่อเสีแล้วหนูเองก็คงไม่มาหนูพูดจริงๆนะคะ หนูอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลสิจะ๊ะการเข้าวัดก็เพื่อมาสแสวงหาธรรมะแต่บางคนเข้าวัดเพราะไปชอบสมภานยิ่งสมพานหนุ่มๆโอ้โหสาวแก่แม่ไม้ติดกันเกลียวเลยแบบนี้รับรองไม่ได้บุญเอาละ่ะถึงแม้จะไม่มีอัตมาอยู่ในวัดนี้อีกต่อไป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 ท่านเป็นพระอริยะบุคคลใช่ไหมครับหลวงพ่อเพราะผู้ที่จะเข้าผลสมาบัติได้จะต้องเป็นพระอริยะบุคคลผมว่าอย่างน้อยๆท่านต้องเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับชายหนุ่มถามก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นผมจะมเรียนกรรมฐานกับท่านผมแสวงหาพระอริยะบุคคลมานานแล้วขอกลับเรียนตามตรงว่าผมเริ่มจะเบื่อพระ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 พระประเภทนี้จะมีมากขึ้นนะครับแม้จะรู้ว่าบุรุษนั้นพูดความจริงหากท่านพระครูก็จำต้องวางอุเบกขาท่านพูดตัดบทว่ากรรมของเขาไหนโยมอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสีให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรม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 วันนี้หลวงพ่อจะไปไหนหรือคะสตรีวัยกลางคนถามขึ้นไปบรรยายธรรมที่วัดกวิสาวรารามจังหวัดลบบุรีเขาจะส่งรถมารับท่านพระครูตอบนายสมชายไม่ได้ทำกรรมมากับท่านจึงไม่ต้องไปร่วมชะตากรรมในครั้งนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานายแพทย์สิงห์พลแห่งโรงพยาบาลสิริราช หาครอบครัวมาถวายพัตนาหารเพลนแด่พระภิกษุสามเณรวัดป่ามะม่วงเขาไม่ได้มานิมนต์ไว้ลุ่งหน้าด้วยต้องการจะให้เป็นสังฆทานอย่างสมบูรณ์แบบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงฉันพัตนาหารได้มากกว่าทุกครั้งยังผลให้ญาติโยมปลับปลื้มใจเพราะปรากฏการเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนฉันเสร็จท่านถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนา เราต้องการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายโยมผู้หญิงคนหนึ่งแอบนินทาท่านว่าแหมหลวงพ่อท่านไม่ยอมหายใจทิ้งเลยนะทั้งเวลานาทีของท่านช่างมีค่าเสียจริงแม้จะกระซิบเบาๆหากผู้ถูกนินทาก็ได้ยินท่านพูดขึ้นลอยๆว่าคนที่หายใจทิ้งเป็นคนไม่มีประโยชน์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 เทศจบท่านพระครูบอกญาติโยมว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปบรรยายธรรมที่วัดกวิทแต่จะไปไม่ถึงเพราะจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคอหักตายเวลาเที่ยงสี่สิบห้าอาตมาตั้งใจจะออกจากวัดเที่ยงครึ่งจะได้ไม่ต้องไปตายไกลวัดเขาจะได้เอาศพ กลับไดด้สวท่านพูดด้วยสีหน้าท่าทางปกติอยากรู้ไม่ว่าทำไมอาตมาถึงต้องตายในวันนี้ท่านถามไม่มีผู้ใดให้คำตอบลุยต่างก็ทำใจไม่ได้ทั้งสงสารทั้งเสียดายปูชนีบุคคลเช่นท่านเอาละ่ะไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาอยากเล่า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 สตรีวัยกลางคนถึงกับปล่อยโฮพูดละล่ำละลักว่าถ้าอีฉันตายแทนหลวงพ่อได้อีฉันยอมตายจริงๆชีวิตอีฉันหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ไปก็เปลึงออกซิเจนอย่างหลวงพ่อว่าท่านพระครูยิ้มเพราะขำในถ้อยคำของหล่อนคนอื่นๆก็ทำหน้าปั้นยากจะยิ้มก็ไม่ใช่ร้องไห้ก็ไม่เชิงเอาละเอาละขอบใจ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 ไปเที่ยวยิงนกตกปลาแอบขโมยปืนแก็บของตาไปแล้วอัตมาก็มีความสามารถในการก่อกรรมทำเข็นมากเรียกว่าทำบาปขึ้นยิงปืนแมั่นเปรี่ยงเดียวนกกระสาร่วงมาเป็นร้อยเลยใครอยากรู้เทคนิคการยิงก็มาถามได้เดี๋ยวอัตมาตายแล้ว จะไม่มีใครบอกท่านพูดยิ้มยิ้มถ้าว่าคนฟังกลับยิ้มไม่ออกไม่มีใครถามรืงั้นอาตมาก็จะไม่บอกให้วิชานี้มันตายตามอาตมาไปก็แล้วกันท่านพูดเล่นเพราะหากมีผู้ถามขึ้นมาจริงๆท่านก็จะไม่บอกเพราะสมณะย่อมไม่แนะนำบุคคล ไปในทางชั่วก็รวบรัดตัดใจความได้ว่าอาตมาเป็นแชมยิงปืนแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ห น, นีไปยิงนกอีกพอลั่นไกเปรี้ยงนกก็โร่งลงมาทั้งฝูงแต่มีตัวหนึ่งมันไม่ยอมตายแค่ปีกหักบินไม่ได้ความรักชีวิตทำให้มันวิ่งหนีอาตมา ก็วิ่งตามพอจับได้มันก็จิกมืออาตมาเลือดพุ่งเลยด้วยความโกรธอาตมาหักคอมันทันทีแถมถลกหนังหัวมันอีกด้วยตอนนั้นเป็นคนจิตใจเยี้ยมโหดมากเสร็จแล้วก็โยนทิ้งมันยังดิ้นกระเดวกระเดวและคงจะอาฆาตพยาบาทอาตมา กระทั่งมันซิ้มใจส่วนเรื่องต้มเต่านั้นทําตอนอยู่มัธยมหนึ่งแล้วก็ใช้หนี้ไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2514แต่เจ้ากรรมนายเวนเขาบอกตอนนั้นมันแค่เงินต้นวันนี้เขาจะคิดดอกเบี้ยแมขนาดใช้หนี้กรรมก็ยังต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอก นายยมนะท่านหันไปพยักเพย์เยิดกับโยมคนหนึ่งแล้วเล่าต่อเรื่องมีอยู่ว่าพวกขี้เมาเขาเกิดอยากจะกินเต่าแกล้มเล่าก็ไปซื้อเต่าเล็กๆมาเจ็ดตัวแล้วจ้างอาตมาต้มให้ค่าจ้างหนึ่งบาทบาทเดียวเองหรือค้ะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งถาม บาทเดียวหนักมากแล้วนโยมสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสามสตางค์เงินหนึ่งาบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้หนึ่งเดือนกับสามวันอาตมาเอาเงินเข้ามาแล้วก็จัดการก่อไฟเอาหม้อดินใบใหญ่ใส่น้ำขึ้นตั้งบนเตาพอน้ำเดือดก็เทเตาเจ็ดตัวลงไป เต่ามันก็ดิ้นใหญ่คงจะสามาขี่กันดิ้นเพราะหม้อแตกเลยพอหม้อดินแตกมันก็พากันตะกีกตะกายหนีเอาตัวรอดเข้ากอบไหไปโยมเชื่อไหมน้ำตามันไหลพรากพร ะ, ระแล้วมันก็ใช้สองขาหน้าปาดน้ำตาที่โบราณเขาเปรียบว่า ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเตา่าอาตมาก็เพิ่งประจักษ์ตอนนั้นแหละเห็นแล้วรู้สึกทุเรศในตาเลยปล่อยให้มันหนีไปพวกขี้เหล้าเขาก็โกรธจะเอาค่าจ้างคืนอัตมาก็ไม่ยอมคืนให้เลยไปลักปลาเค็มป้ามาปิ้งให้เขากินแทนเตา่าโดนป้าด่าแหลกเลย นี่แหละกรรมที่อาตมาทำไว้ในวัยเด็กแล้วก็กาลังจะไปใช้นี่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขณะนั้นเวลาเที่ยงครึ่งรถที่ทางวัดกวิสาวรารามส่งมารับนั้นรออยู่แล้วเอาละอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ญาติโยมจงหมั่นเจริญกรรมฐาน ถ้าใครคิดถึงอาตมาก็กให้ปฏิบัติมากๆเอาละ่ะขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนนายโยมนะรถที่มารับท่านพระครูเป็นรถสองแถวเก่าๆ เ, เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนอุบาสกในชุดนุ่งขาวห่วมขาวที่มาด้วยได้ย้ายมานั่งข้างหลัง